บุกทูเจ็ดสิบเอ็ดอีโาสต้องการอยากวิลล์นว์คุณอยากทำอะไรวัวิลลคุณอยากเล่นฟุตบอลไหมวิล l ีส์เลฟุตบอล คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมวิลอีปิซูเวนอต้องการอยากดีลย <Will. S 1> ดิฉันไม่อยากมาสายดิฉ l นไม่อยากไปที่นั่นดิฉันไม่อยากไปที่นั่นดิฉันไม่อยากไปที่นั่น ดิฉันต้องการกลับบ้าน j a า vil ฟิลกุยเยดิฉันต้องการอยู่บ้าน j a า vil ฟิลปลีเ m เย่เม่ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว j a า vil ฟิลเ a อ l e เอเคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม vill du blive h เ r เ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 คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Will in คุณอยากไปดิสโก้ไหม Will คุณอยากไปดูหนังไหม Will คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Will